พยายามเป็นคนดีแต่เครียดที่ตกใจวิตกได้แบบไม่ต้องมีเหตุผลสมควรจะร้ายแรงถึงขั้นจิตหม่นหมองก่อนตายไหมสําหรับบางคนความหม่นหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหม่นหมองหรือยอมตนให้กับความหม่นหมองจนเคยตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เก็บมาคิดเรื่องไม่น่าวิตกก็เก็บมาวิตก หากเข้าข่ายดังว่านี้ก็ขอให้คุณทราบด้วยว่าโรคชังวิตกมีต้นสายปลายเหตุการยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความมิตกโดยไม่หาทางทำอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองคือต้นเหตุเหมือนเราตกลงไปในหนองน้ําที่เน่าเหม็นและชื้นแฉะน่ารังเกียจเราตั้งคําถามกับตนเองว่าเหตุใดเนื้อตัวเราจึงไม่แห้งสักทีเหตุใดกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งยังติดผิวกายเราอย่างน่าอึดอัดระอานี่ก็เป็นเพราะเราไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ำนั่นเองหนองน้ำที่ว่าเนี่ยมีพิษด้วยนะครับเหมือนทําให้สมองเราฟอลงได้หดหูท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ้านไปตามเนื้อตัว สะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขมันมีพิษทำให้ผิดปกติไปต่างๆนานาบางวันหงุดหงิดง่ายแต่บางวันก็คล้ายเกิดอาการทอดอะไรตายอยากเป็นตน้นส่วนที่ว่าอาจพัฒนาถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่ก็ขอให้ตรองดูถ้าคุณมีชีวิตที่ปราศจากความสุขอะไรมันจะเลวร้ายไปได้มากกว่านั้นอีก ชีวิตที่ขาดความสุขนั้นแม้เคยเป็นดอกไม้ก็ต้องเปรียบกับดอกไม้ที่ขาดน้ำดอกไม้จะดูเป็นดอกไม้อยู่หรือหักเหี่ยวเฉาการปราศจากสุขทั้งที่ไม่มีเหตุให้ทุกข์อย่างชัดเจนนั้นแสดงถึงวิธีคิดที่ผิดพลาดเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือวิธีคิดนั่นเองในระหว่างใช้ชีวิตอันเป็นปกติ หากยังตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสุขไม่ได้แล้วขณะใกล้ขาดใจตายจะมีความแน่นอนอันใดเป็นหลักประกันที่น่าไว้ใจเล่าไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูผู้ให้โทษกับเราได้เท่าการตั้งจิตไว้ผิดพลาดอีกแล้ว